เมื่อรู้ว่ากรร ม, รรมเนี่ยเรามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะถามว่าเรากลัววิบากของอาคุสนไหมกลัวที่จะกลัวผลของอากุสมไหมเมื่อเรากลัวว่าไอสิ่งนี้ไม่ใช่ของตนอันนี้เมื่อกลัวอย่างนี้เรียกว่าโอตัปปะเกรงกลัวต่อบาปอาุสลถ้าใครรู้เข้าใจกฎเกณฑ์ของการให้บาปนะ อขอไปของบาปเวลามันให้ผลนะไม่ต้องบอกให้คนอื่นมาบอกว่าท่านอย่าทําชั่วเลยไม่ต้องอถ้าวิจารณญาณแม่นยําดีๆเนี่ยนะถ้าถ้ามีปัญญากรรมสศกตาปัญญาดีๆเนี่ยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเตือนไม่ต้องคอยให้คนอื่นมาบอกว่าอย่าทําชั่วอย่าทําบาปเลยเพราะว่าบาปอากุศลที่ทําไปเนี่ยเป็นเป็นอะไรให้ผลเป็นทุกข์ อันนี้แหละโอต ป, ปะก็จะเกิดขึ้นนะนะสรุปว่าโอต ป, ปะเกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อโอต ป, ปะขนาดใดเกิดขึ้นสิ่งที่ตรองอ่าเมื่อโอตระโอต ป, ปะเป็นเหตุใกล้ของอะไรเหตุใกล้ของศีล น, นะหยาบหยาบที่สุดเลยนะละอายกลัวต่อวัตถุใดนะทวารใดหรืออารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่ง อกุศลเนี่ยเราเราสามารถคัดได้ใช่ไหมถ้าใครเรียนกรรมบทมาดีเนี่ยจะรู้ว่ากรรมบดเนี่ยนะทำไมเขาจึงเรียกว่ากายกรรมทําไมจึงเรียกว่าวจีกรรมทําไมจึงเรียกว่ามนโนกรรมแล้วไอ้กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมีอะไรเป็นอารมณ์นะมีอะไรเป็นอารมณ์ปับพอมองทวารปั๊บจะมองอารมณ์ออกถ้ามองอารมณ์ปั๊บจะมองทวารออกเลยเมื่อมองออกยังไงปั๊บจะรู้เลยว่าอันนี้มันใกล้ต่ออะไร อันนะั้ใกล้ต่อกุศลหรือใกล้ต่ออกุศลถ้าประพฤตอาคุศลใครรับนะนั่นไงตนแต่ทีนี้มันไม่อยากจะบอกว่าของตนเลยใช่ไหมใครไปทําอกุศลมานะ่ะอยากจะ บ, บอกไหมว่านั่นตนแล้วถ้าจะต้องวิสเวทวิบากนะอยากจะพูดไหมว่าของตนถึงเป็นของตนจริงๆรู้อยู่แก่ใจนดะอยากจะพูดไหม อันนี้มันเป็นผลของความผิดของใครผมเองครับเนะี่ยรับด้วยหน้าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมีไหมหายากเต็มที น, นัเนี่ทั้นก็โอตระปา ก, ก็จะเกิดขึ้นก็เป็นเหตุใกล้แห่งศีลทีนี้บางทีก็เอ๊ะบางคนเนี่ยนะเมื่อรู้ผลของกุศลดีๆทำไมไม่เจริญกุศลรู้อยู่แล้วว่าศีลเนี่ยมีผลเป็นสุขเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ทำไมเราไม่รักษาศีลเป็นต้นถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆ อ, อะไรเกิดนิริเกิดเรียนธรรมะมาตั้งนานทําไมไม่รักษาอุโบสถคุณละวันรักษาอุโบสถบ้างหรือเปลนียอ๋อไม่เป็นไรไม่สายเดี๋ยววันวันเสาร์นี่เนาะวันเสาร์วันอุโบสถวันที่หนึ่งก็ยังดีเนีย่ยนะรักษาอุโบสถหนะ่อยฉันทำไมไม่รักษาเป็นต้นเนี่ยนะ ทำเราไม่ไม่ต้องการความสุขหรือยังไงทำไมเราไม่รักษาเป็นถ้าใครน้อมมานาสิการอย่างนี้ได้บ่อยๆนะหีริก็เกิดหีริก็เป็นเหตุใกล้ของศีลเมื่อหีริเป็นเหตุใกล้ของศีลอย่างเงี้ยนะถามว่าเมื่อมีศีลดีแล้วจะตามด้วยอะไรศีลคืออะไรก่อนหยาบๆเลยนะที่เราจะทำได้เร็วมากคือวาจารองลงมาก็เรื่องกาย กายวาจานี่เป็นที่ตั้งแห่งอะไรอาชีพ น, นะกายวาจาก็เป็นที่ตั้งแห่งอาชีพสรุปนะถ้ามีกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นข้อที่หนึ่งก่อนเขาจะเรื่องเอาเอามาคิดบ่อยๆใช่ไหมเอามาคิดอันนะี้ไอการที่เอามาคิดเนี่ยนะเท่ากับมีโยนิโสมนานสิกานนะโยนิโสมนานสิกานี่นะ โยนิโสมน <HHH> ัสิการเนี่ยถามว่าถ้าไม่เรียกว่าตรึกเรียกอะไรถ้าไม่เรียกว่าวิตกเอามาคิดเรื่องนั้นบ่อยๆเรียกอะไรก็คิดก็สัมมาสังกปะถ้ามีความร an, ar, fire, ู้เรื leave, ่องกรรมและเอาเรื่องเอาเรื่องกรรมมาคิดเนี่ยก็คือทั้งสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะสรุปว่าถ้ามีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิโยนิโสมณัสิการสัมมาสังกปะก็จะเท่ากับ โยนิโสมสิกานโยนิโสมนัสิการเนี่ยเราก็จะมันิีริโอตปะกายแลวาจาเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่ทำและคำที่พูดอะไรควรทำอะไรควรพูดเป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิเท่าใดโยนิโสมณัสิการก็จะมีสมควรแก่สัมมาทิฏฐิจะมีสมอ่ะนะสัมมาวาจาจะ สมควรแก่สัมมาทิฏฐิสัมมากั so มมันตะก็สมควรแก่สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะก็สมควรแก่สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะว่ามันคล้อยตามสัมมาทิฏฐิอนุโลมตามสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนี่ยตามแต่สัมมาทิฏฐิจริงๆที่ใดมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ ที่นันมีวิตกแน่นอนใช่ไหมสมาสังกปะสติก็จะได้ตามสมควรวิริยะตามสมควรสมาธิตามสมควรสมาธิก็จักตามสมควรเมื่อสมาธิอ่สติ ว, วิริยะสมาธิตามสมควรแก่สมาทิฏิเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปตามแนวมรรคดเบื้องต้นที่อนุวัตตามตามอะไรนะ ตามกรรมสกกาทิฐิถ้ามีกรรมสกตาสัมมาทิฐิดีปกติถามว่ากรรมสกตาสัมมาทิฐิให้ผลเป็นอะไรผลของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิตนงะตรงๆเลยถ้าเฉพาะตัวก็คือมนุษย์กับเทวดาอันนี้เป็นผลของกรรมสกตาสัมมาทิฐิอันนี้แบบพูดแบบตานกลางแบบ แบบทั่วๆไปนะผลของกรรมัสกตาสัมมาทิฏฐิแบบลกลางแบบทั่วไปก็คือความเป็นมนุษย์และเทวดาอันนี้เป็นอันนี้สองของกรรมมัสกตาสัมมาทิฏฐิก็ดูว่าหลายท่านถ้ารักษาความเป็นมนุษย์ในภพต่อไปได้นี่ก็ถือว่าเยี่มยมแลวนะแต่ว่ามนุษย์ถึงยุคหน้าก็ยังน่ากลัวอีกนะถ้ายังน่ากลัวทามันจะหนียังไงต่อไปเนี่ยนะ เมื่อมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิดังดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะรู้อยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือผู้รับผลแห่งกรรมนั้นความรู้ที่ที่เป็นสัมมาทิฏฐินในองค์มรรคที่เราเรียนเนี่ยขึ้นต้นด้วยหนึ่งหนึ่งคืออะไรนะหนึ่ง องมักนะอริยมักหนึ่งสัมมาทิฏฐิเมื่อวานคุณชูศรีไปสาธยายให้ฟังเพราะมากวันนี้ให้สาธยายบอกหมดเวลาแล้วเธนะอสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิหนึ่งทุกเขยานังเนะความรู้ในทุกอะ น, นะเข ต, ตัวแน่แปลว่านในอะ น, นะความรู้ในทุก ทุกขาสมุทเยยานังคือในทุกขาสมุทั ย, ย, ย, ท, ท, ยทุกขานิโรเทยานังก็คือในทุกขานิโรธแลวก็ที่สี่ก็คือทุกขานิโรทขามินีปฏิปทายะยานังน่นะหรือทุกขานิโรธฆามินีปฏิปทาคือายานในทุกขานิโรทคามินีปฏิปทา อา้าวสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเราบอกว่าองค์มรรคที่หนึ่งในบรร nam รรคแดคือสัมมาทิฏฐิแล้วทําไมสัมมาทิฏฐิบอกว่าความรู้ในทุกขานิโรธคาม่มีปฏิปทาซึ่งก็ทุกขานิโรธคาม่มีปฏิปทานนี้เท่ากับมีองค์เท่าไหร่ก็มีองค์แปดอีกแ ส, สนะแสดงว่ามีความสําคัญเนี่ยนะแสดงว่ามีความสําคัญที่นี้เบื้องแรกเลยนะที่บอกว่า สัมมาทิฏฐิอันนี้ถ้าไล่เป็นลําดับนะหนึ่งกรรม ส, สักกตาสัมมาทิฏฐิสองฌานสัมมาทิฏฐิสวิปั ส, สนาสัมมาทิฏฐิสมัคคสัมมาทิฏฐิห้าผลสัมมาทิฏฐิหรือหรือในที่หกนะก็คือปัจเจเวปัจเจเวขณะสัมมาทิฏฐิ ทีนีที่เป็นกรรมมัสกตาสัมมาทิตฐิเนี่ยนะทุกเหยานางเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคืออะไรค ง, คงหวังว่าคงคำตอบคงไม่ผิดหวังทุกคือะ อ, อะไรแลลว่านาโอ้ยไป ส, สงสารเราเลยอ่ะทำไมไปประเด็นประเด็นพูดผ่านเฉยเฉยสรุปว่าติดไวยากรยังไง คือสระเอตัวนี้เนี่ยนะสระเอตัวนี้อะมาจากอะไรคุณสุจินสมิมสุเอาสมิงเป็นเออเนี่ยในในไวยกรนะเ่าว่างๆไปคุยกับคุณสุจินก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> สรุปว่าทุกเขยานังความรู้ในทุกถามว่าอะไรมันคือทุกสรุปสรุปจจันจันแดงดีกว่จาจันแดงว่างไงนี้ทุกอะไรทุกอุปทานขัดห้านี้คือทุกทําไมมันเป็นทุกล่ะก็สวยออกอ๋อมัน อ, อ๋เอาเอาเอาสังขารทุกข์ขึ้นมาเลยนะเพราะมันเป็นสังขารทุกข์แสดงว่ามันมีอะไร มีวิปริณามะทุกมีอะไรอีกมีทุกขะทุกเนื่องจากว่าสิ่งนั้นเป็นทุกขทุกเป็นวิปริณามะทุก์เป็นสังหารทุก์เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงเป็นทุกเนี่ยนะสิ่งนั้นจึงเป็นทุกด้วาโดยย่อทุกอันนั้นก็คืออะไรคือปาทานขันท่าอันนัของมาชอบตาหูจมูกลิ้นกายใจมากกว่าตาหูจมูก ลิน้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอุปาทานขันห้ามคือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะคือสิ่งเดียวกันปัญหาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทุกขก์ทุกสังขารทุกวิปริณามทุกแล้วอ่ะสิ่งนี้คือชาติชรามรนะโสกะปริอันนะคือตัวตรงๆงเข้านะสภาวะของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีอะไร เกิดเป็นเบื้องต้นแก่เป็นท่ามกลางแล้วก็ตายเป็นที่สุดเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของเราอยู่ตรงไหนอยู่ท่ามกลางแก่ตามสมควรแก่ไวอย่านี้เชื่อไหมเราชอบความแก่เชื่อหรือไม่เชื่อว่าเราชอบความแก่ชอบหรือไม่ชอบจริงๆนะจำนวนมชอบแก่หรือไม่ชอบไม่แก่ ไม่แน่นะไม่ใช่จําเป็นนะมันชอบจริงๆเลยเอาเิชอบหรือไม่ชอบตกลองความแก่มาเลาะนะชอบหรือไม่ชอบไม่เชื่อผมมาไม่เชื่อหลักามไม่ชอบเดี๋ยวจะถามคนอื่นดีกว่าคุณไพรินชอบหรือไม่ชอบความแก่ชอบใช่ไหมเออในพูดตามสภาวะเดี๋ยวจะถามใหม่นะเดี๋ยวจะถามใหม่แล้วจะรู้ว่าชอบมากคุณตูจินชอบหรือไม่ชอบความแก่ ต้องให้นหนก่อนนะเคอจริงๆไยนะเขบอกว่าเขามีอยู่สองคำเนี่ยน้องกับพี่นะ <c oughs> <c oughs> ตกลงชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> เราอยากให้เด็กๆเรียกเราน้องไหมล่ะเอาไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะนี่มันใครใไหเรามันรุ่นพี่แสดงว่าเราก็ชอบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชอบพางแก่เชื่อ แม้กระทั่งอะไรนะพวกพวกคำว่าปูคำว่าย่าคำว่าตาคำว่ายายเราก็ยังชอบใช่ไหมเมื่อชอบนั้นแสดงว่าเรายินดีในสภาวะเหล่านั้นเนะนี่ยนะนี่ยนะเนี่นะาตออว่ า, า, า, ต, อวาตอนนี้เราเรียนมสมควน ะ, ะเราคิดว่าเราใจตรนกลางอยู่ไปตามใจา ม, มานันะ อ, อันนั้นถ้าถ<ม>้นานนั้นนะฝ้าบ้านดีกว่าเข้าใจ คือถ้าว่าแค่ทำใจอยู่เท่านั้นนะไม่ต้องเรียนอริยศัสตร์ให้มันปวดหัวหรอกอยู่เฝ้าบ้านเฉยๆเนี่ยดีที่สุดนะคถามแกชอบหืออ่อนชอบเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสิอแต่ว่าสรุปนะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นวัตถุของอะไรสรุปนะโสกาปริเทวะทุกขะ โทรมนัสเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยร่างกายเป็นยังไงทุกมากขึ้นสองเสียใจบ่อยขึ้นอ่นนะนะงอนมากขึ้นต้องการเอาเขาเอาใจมากขึ้นชอบคำไพเราะมากขึ้น น, นะนะแล้วก็อยากฟังคำที่ไม่ค่อยจะจริงมากขึ้นขอให้อายุยืนชอบไหม ไม่แน่นะก็ไมแช่งเราดูที่เอาพูดตรงกันข้ามดูจะรู้ว่าเราชอบอายุยืนนะสรุปว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกขะและโทมนต์อีกอันหนึ่งคืออุปายาตถามว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนต์อุปายาตเกิดจากอะไรเหตุผลมีอยู่สามประการหนึ่งวิปโยคสอง สัมปโยกสามปราปรถนาอิจฉาเนี่ยนะอิจฉาแปลว่าความปรารถนาเนี่ยนะเพราะสามประการเนี่ยนะวิปโยคทุกพลาดพลาดเพราะสัมปโยกทุกขประจวบ ก, กับสิ่งไม่เป็นที่พอใจและก็เพราะความปรารถนาอิจฉานี่แปลว่าปรารถนาเขาก็มีคําว่าอิจฉากับอิจสานี่คุอันกันถ้าอิจสาตัวนี้นะเป็นชื่อของริษยาหื ซอเซ ส, สองตัวไหมอิศานั่นเอทั้ทงก็อิศาเนี่ยแปลว่าความริษยาส่วนอิจฉาแปลว่าความปรารถนะทาทั้งก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจนึกก็เป็นทุกสรุปว่านี้ทุกอ่านะนี้ทุกคืออะไรนี้ชาติชราพยาที่มรณะโสก ะ, ะวัตถุเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกข โ, โทมนตุอุปายาต ท, ที่มันเป็นทุกเพราะว่ามันวิปรโยคทุก สัมประโยชนทุกข์แล้วก็ปราถนามไม่สมใจนึกก็เป็นทุกใครทุกเพราะอะไรบ่อยๆสรุปนะใครวิปประโยคทุกบ่อยให้รู้ว่าราคาจริตใครสัมประโยชน์ทุกบ่อยๆแสดงว่าโทสะจริตโดยรวมๆนะใครปราถนา ม, มากก็ราคาจริตนั่นแหละนะแต่ว่าว่ารวมๆนะใครทุกเพราะต้องจากราคาจริตใครทุกเพราะต้องเจอ โทสะจริตแต่ที่นี้บางอย่างเราก็เอาเอาหมดเลยนะสรุปว่าจริตคละเคล้ากันไปหมดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายานะคงพอได้นะทุกขสัตนะซึ่งเราโอ้โหฟังมานอนมากเต็มทีแล้วคงใจว่าคงไปทำปริญญามาพอสมควรนวนเะนาะแต่ทำอันนี้ก็ให้ผู้การติวให้กันละกันว่ามันทุกขยยังไง ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้อาจารย์พูดเรื่องอะไรเอ๋อเหลอโอ้โหตาไม่รู้พูดเรื่องอะไรงงหมดได้ได้ของมาจากพิจารณาตัวเองฮะ <c oughs> พูดยังไงเนี่ยฟังคนฟังไม่รู้เรื่องอะนะ <c oughs> นี่แหละพ่อขาดเมื่อวานเป็นนี่แหละ <c oughs> อันนี้ทีนี้ที น, ทนี้วิธีสร้างทุกเราสร้างยังไงสรุป เมื่อเรารู้จักทุกแล้วนะวิธีสร้างทุกเป็นยังไงกอ๋อนี่วิธีสร้างทุกพูดวิธีสร้างทุกขวิธีสร้างทุกทุกคนเชื่อไหมทุกคนเนี่ยสร้างทุกอยู่ดีวันนี้ไปปักภ้ากันนะปักพุทโธสวยนี่ไปสร้างทุกหรือว่ายังไงพูดตามสภาวะเนี่ยคือการสร้างทุกข์พูดตามสภาวะนะแต่ตั้งอัธยาศัยเพื่อพ้นทุก ออาพูดแบบสภาวะกับแบบอัธยาศัยคนลอันกันนะมันเหมือนอย่างว่าอะนะอมยาขมเนี่ยสภาวะมันคืออะไรสภาวะขณะอมนะก็คือยาขมก็อมนยะมันก็เป็นขมละวั ง, งั้นสรุปว่าเป็นทุกข์ อันนี้ยาทาแผลก็ได้ขณะที่ทาเนี่ยทาแล้วเป็นยังไงแสบแต่เพื่อถ้าเพื่อก็คือการรักษาอันวัตถุประสงค์ก็คือการหายฉันใดก็ดีขณะที่เราทำกุศลนะสภาวะของเขาก็เป็นสิ่งที่มีวิบากเป็นธรรมดาวิปากธรรมธรทมา เป็นสิ่งที่มีวิบากเป็นธรรมดาให้ผลเป็นธรรมดาใช่ไหมท่านเมื่อโดยสภาวะของเขาคือการสร้างวิบากวิบากให้ผลเป็นอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นะคือผลของเขาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อผลคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรเกิดเป็นเบื้องต้นแก่เป็นท่ามกลางตายเป็นที่สุดเสียใจบ่อยไม้ม ตั้งกมีตาเนี่ยร้องให้มากี่ครั้งจามินิตล่างไ น, นะเมื่อวันก่อนหัวเราะต่อหน้าแอบไปร้องให้ข้างหลังอย่ข้อมาไม่ใช่อย่างนั้นร้องให้ต่อหน้าเลย <c oughs> เออเนี่ยมันเลิกร้องให้จริงๆอายุสักสิบสี่สิบห้าเนี่ยโอ้โหก่อนหน้านั้นมานะเสียใจบ่อยนะแหลว่าโทสะจริต เสียใจบ่อยมากนะเพื่อนแกล้งก็จะร้องไห้แล้วใครน่าร้องไห้ทุกวันงงนักเรียนร้องไห้ทุกวันเลยนะร้องไห้ทุกวันเลยนะผู้การเครียดทุกวันอ๋อเจ้าเจ้าทุกเงินนะใช่ทั้งทั้ที่จะได้ดีก็ยังทุกเลยนะ จำเป็นนิ่ะสุขมากหรือทุกมากอา๋อทุกมากเหมือนกันนะนะแสดงว่าทุกคนรวยหมดเลยรวยความทุกหมอทุกมากหรือสุขมากอ๋อสลับสลับคล้ลาวกันไปนะมอยุพินทุกมากกหกันนะนะก็ทุกคนรวยหมดเลยรวยความทุก สรุปว่าเจริญกุศลเนี่ยนะสภาวะของกุศลก็ยังให้วิบากเป็นธรรมดาพันขณะเจริญกุศลว่าตามสภาวะคือการสร้างทุกข์แต่ตั้งอัธยาสัยเพื่อความพ้นทุกข์เพราะว่าตั้งความปรารถนาว่าที่ให้ปักพุทโธนะเพราะว่าพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์กันไมฟังพุทโธจะได้ปีติบ้าง นี้วิธีสร้างทุกข์เนี่ยนะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าแม้แต่เจริญกุศลอยู่ก็คือสร้างทุกข์สรุปว่าตาเนี่สร้างยังไงวิธีสร้างตานะีสรุปว่าตามายัางไงก่อนแล้วขณะเดียวกันเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรามาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมก็สร้างวัเวลาวันก็ให้ไปท่องโลกาเนโรทสูตรกออ็ได้ไปเยอะแล้ว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 คือการสร้างตาแปลเป็นภาษาง่ายๆว่าทุกครั้งที่คุณลืมตาคือคุณสร้างตาจะลืมตาเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามทุกครั้งขณะนั้นนั้นคือการสร้างตานะสรุปอาศัยหูกับเสียงเกิดโซตาวิญญาณความประชุมของธรรมะสามประการเป็นภาษะพระภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี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 เวทนาพระเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระภพเป็นปัจจัยจึงมีจมูกเนี่ยนะอาศัยลิ้นกับรถเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี ตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพเป็นปัจจัยจึงมีลิ้นนั่นแหละวันนี้สร้างลิ้นกันไม่ให้เบาถ้ารักษาอุโบสถนะเลิกสร้างลิ้นไปเยอะเงินนะลดลดไปบ้างอาศัยกายกับโพธพระเกิด กายวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีกายก็สร้างกายอีกละปดหัวตัวร้อนเป็นต้นนี่ยนะขณะที่แม้กระทั่งเนี่ยอบความอบอุ่นในร่างกายหรือความหนาวความเย็นเป็นต้นในร่างกายนะเมื่อมนรรมัสิการอันนั้นแหละคือการสร้างกาย สรุปง่ายๆว่ารับรู้ทวารใดคือการสร้างทวาร น, นั้นถ้าทวารใจล่ะอันนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะไม่ค่อยว่างในการสร้างใจเนี่ยนะพันมโนกธรรมะเกิดมโนวิญญาณธรรมะสมอย่างประชุมกันเป็นภาษาพระภาษาเป็นปัจจัย จ, จึงมีเวทนาพระเวทนาเป็นปัจจัย จ, จึงมีตัณหาเพระตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระภพะเป็นปัจจัยจึงมีใจ นะเพราะการเกิดขึ้นครั้งแรกของตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาตชนะิเพรา ะ, ะนะเบื้องต้นของการเกิดะเบื้องต้นของการสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติหลังจากนั้นมาเรียกว่าชราในที่สุดเรียกว่ามรณะคือตายสรุปว่าเป็นวัตถุ ข, ของอะไรโสกะปริเทวทุขโทมนัสและ อุปายาตท่านสรุปว่าทุกทวารที่เราลืมตานะสรุปในที่สุดว่านํามาซึ่งทุกโทมนัสจนได้นะพระ อ, องค์จึงบอกว่านี่ทุกท่านสรุปว่าลืมตาเมื่อไหร่ก็บอกนี่เหตุแห่งทุกเพราะนั้นสรุปว่ า, ม า, ม เ, ววาเมื่อเห็นอาจารย์เกสอนเมื่อไหร่ก็นี่เหตุแห่งทุกันนะ <S <S <S ใช่ไหมลืมตาเห็นกันนี่เหตุแห่งทุกันไะด้ได้ยินเสียงฝนตกกันนี่เหตุแห่งทุกอีกแล้วนะรู้กลิ่นกันนี่เหตุแห่งทุก รู้รสกลืนน้ำลายเ อ, อื้ออรู้รสกน็นี้เหตุแห่งทุกข์เนี่ยรู้หนารู้เย็นรู้ร้อนกันนี้เหตุแห่งทุกข์คิดเรื่องอะไรก็บอกนี่คือเหตุแห่งทุกข์แล้วอันนี้นี่ถามว่ามณสิการอย่างนี้บ่อยๆได้ไหมอันนี้นี่ทุกนี่ทุกขสมุไทยเกินถ้าเมื่อก่อนเนี่ยไม่นึกไม่ออกแต่ว่าไอ้ตรงนี้เรียกว่าพระ อ, องค์ตรัสเป็นภาษานึงว่าขยายวัตต์ตัวที่ขยายวัตต์มีอะไร อวิชาารราวชาตันหาทิฏฐิกรรมอวิชชาตันหาทิฏฐิกรรมทวารไหนไม่เป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาตันหาทิฏฐิและกรรมบ้างมีไหมลืมตาปับ๊บพูอะไรนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกแม่แต่นึกถึงอริยสัจอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมไอ้ไม่นึกอย่างนี้แหละเรียกว่า อวิชามีทวารไหนมั่งที่รู้สึกว่ารังเกียจจริงๆเลยนะรังเกียจทวารที่จะต้องเห็นที่จะต้องได้ยินรู้กลิ่นเป็นต้นเนี่ยนะมีไหมอันนี้คือไม่กันดาลตัณหาก็ขยายวาตะเลยถ้าทิฏฐิล่ะก็นึกถึงว่าอารมณ์อะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งทิฐิมีไหมไม่มีเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิขณะที่ทิฐิเกิดก็เป็น ขยายการขยายวะตะถ้าอาวิชชาตันหาทิฏฐิไม่เกิดในที่สุดก็ต้องเป็นกรรมจนได้น้อยอย่างน้อยที่สุดนะเมื่อรับเห็นเนี่ยปัญจทาาวารมโนกรรมก่อนลนะชาวนาจิตทางปัญจทวารเป็นมโนกรรมถ้านึกคิดต่อไปอีกมโนทาวารเกิดขึ้นทําชาวนาจิจทําวิญญาติรูปก็เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสนึกคิดเป็นต้นก็ ก็คือการขยายวัตตะเนี่ยนะนี่เหตุแห่งทุกขเป็นกุศลก็เป็นกรรมแต่กุศลเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาไหมเป็นเป็นวัตถุของอวิชชาไหมเป็นเป็นวัตถุแห่งตัณหาไหมเป็นเป็นวัตถุแห่งทิฐิไหมเป็นเบื้องหลังของกุศลเหล่านั้นก็มีอวิชชาเป็นอุปนิสัยให้นะนะเบื้องหลังของกุศลฟังธรรมอันนี้เนี่ยเรามาฟังธรรมเป็นบุญใช่ไหม เป็นก่อนหน้านี้มาเห็นอริยศาสตร์ไหมไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเนี่ยความไม่รู้ไม่เห็นอริยศสต์เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้ไหมได้ท่านอุปมาว่าแม้คนตาบอดลางคราวก็เดินถูกทางแต่โดยมากปิดทางลางคราวเนี่ยถูกทางเพราะฉะนั้นอวิชาก็เป็นปัจจัยให้ทำกุศลได้แต่ แต่ว่ากุศลเหล่านั้นก็ยังเป็นไปเพื่อวัตัะอีกอยู่ดี